ดัง น, นั้นพระเจ้าจึงเล่าไว้ในพระสูตรนะครับว่าในพระจาย์บกว่าท่านเร่ร่อนมาที่ตำบลุรุเวลาเสนานิคมที่ที่มีภูมิภาคร่มรื่นน่าทำความเพียร น, น้ำเปลี่ยมฝั่งอีกาสามารถก้มลงดื่มน้ำได้ยืนอยู่นบนฝั่งพระพุทธเจ้าหันมาพึ่งธรรมชาติครับมไม่มีเพื่อนแต่คนเดียวนี่ วันนี้รู้สึกมีแต่ธรรมชาติที่ร่มรื่นอนะนะที่จะเป็นเพื่อนปลอบประโลมใจได้เข้าใจไหมครับจากการที่ไม่มีใครเข้าใจเลยนะครับพระผู้เจ้าก็โดดเดียวเดียวดายที่ตรงนี้เองครับที่พระเจ้ามาค้นพบต้นตอของมันเพราะว่าเมื่อไม่ไม่มีความสัมพันธ์เลย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 พระพุทธเจ้าเป็นพระโสะดาบันตรงไหนเมื่อไหรไม่มีครับแล้วหัวค่ําก่อนที่จะจับสรู้นปครับท่านวุ่นวายพระทัยมากครับที่เราเรียกว่ามารผจญคิดถึงลูกคิดถึงเข้าวคิดจะกลับบ้านใชแล้วคิดถึงราคะที่เคยมีเคยได้ความสุขในพระราชวางังรวนเรว้าวุ่นขึ้นมาแล้ว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 ตัณหาขอเจ้าชายนั้นมีเพราะตัณหามีหลายระดับหลายประเภทครับที่เรารู้กันเป็นสามหมดกามตาตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหาอะไรอ่างนี้พวกฤาีชีพไพรที่เข้าฌานได้นั้นอยู่ในตัณหาเท่านั้นครับคือภวะตัณหาผู้เข้าฌานระดับสูงสุดขึ้นไปนั้นเป็นวิภวะตัณหาเช่นชาระดับอากาสานัญจาตนะ ล้วนแล้วจะอยู่ในตัณหาทั้งสิ้นดังนั้นเจ้าชายก่อนหน้าศาสน้เดินก็เดินในตัณหานั่งนอนยังไม่รู้สิ่งที่อยู่นอกตัณหาดังนั้นจึงสอนใครไม่ได้ครับวันนี้เมื่อพระเจ้าอุบัติขึ้นนั้นการยืนเดินนอนนั่งของท่านอยู่ไม่ยืนเดินนอนนั่งอย่างไร้ตัณหา จับต้องสิ่งของมองต้นพระศรีมหาโพธิ์เมื่อพระเจ้าตรัสรู้แล้วนะครับอีกอยาบทแรกของท่านคือลุกขึ้นอธิษฐานจงกรมคือท่านเดินจงกรมวันนี้ทุกเก้าย่างเนี่ยเป็นเก้าย่างของพุทธะแต่ก่อนหน้านี้เจ้าชายสิทธัตถะเลื่อล่อนเดินทางมาหลายแสนไมล์มากครับ แต่ว่าเดินอย่างปุถุชนกินอย่างปุถุชนบันนี้ก้าวเดินอุทิศฐานที่ใต้ล่มระษีมหาโหนะครับเป็นก้าวย่างของพุทธะแล้วท่านเหลียวมาดูต้นสีมหาโหเพ่งไม่กับพริบเนตรอยู่เจ็ดวันครับเป็นการมองด้วยสายตาของพุทธะคือไม่มีตัณหาไม่มีความขัดแย้ง ล, วลว้วนๆทุ่น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 เต็มบริบูรณ์ปราศจากความขัดแย้งและตันหาและดังนั้นเราปฏิบัติชาวพุทธนะครับปฏิบัติจเจรลอยตามพระพุทธเจ้าถือเอาอิรี่บทต่างๆนั่นเองเป็นการปฏิบัติพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเมื่อตันหาจะดับก็ดับไปที่ยืนนั่งนอนยืนเดินนั่งนอน ตันหาเกิดที่ใดให้มันดับไปณนะที่นั้นไม่ใช่เกิดตรงนี้แล้วไปดับตรงโน้นแต่มันปรากฏขึ้นที่ใดให้มันดับตรที่นั้นดังนั้นเองเราถือการเคลื่อนไหวมุธราเนี่ยเป็นเสมือนกุญแจดอกเองคือเราเคลื่อนมือล้วนๆอย่างไม่มีความปรารถนาไม่มีความสงสัยไม่มีความลังเลมีความรู้สึกตัว ล, วลว้วนๆทุนๆเท่านั้นเอง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 วันสุดท้ายที่ล้มกายลงนอนบริณพานก็นอนในลักษณะของมุตราครับหนือท่านนอนเองข้างขวาไม่มีความหวาดกลัวไม่สะดุ้งต่อความตายไม่ปรารถนาไม่ใคร่ที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่โลภไม่เกลียดไม่หลงคือรู้อยู่ตลอดเราะนั้นทรงดับขันด้วยความรู้แจ้งด้วยการตรัสรู้นั่นเองและท่านก็ดับขันบริพาน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 คี้เท่าจะคืนกลับมาเป็นไม้ไม่ได้อีกแล้วครับดังนั้นทางเส้นนี้เป็นทางไปไม่กลับเราปฏิบัติทำนีครับไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อได้สายสะพายหรือวิปปิ ญ, ญิาหรือปฏิบัติเป็นเครื่องประดับพอให้เพื่อนรู้ว่าเอยฉันเข้าวัดวนะฉันบวชฉันปฏิบัติแล้วไม่ใช่อย่างนั้นครับ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 ต่อมาเนียพระพุทธเจ้าเมื่อจัดสรู้แล้วท่านร้องอุทานขึ้นมาครับว่าโอ้แท้ที่จริงศักด์ทั้งโลกนี้คือพระตถาคตตถาคตก็คือคำตาตาคำเดียวกันแปลว่าผู้ไปอย่างนั้นทุกคนต้องไปทางนี้ทั้งนั้นเ่ยดัะนั้นการจัดสรู้ของพระพุทธเจ้านั้นเป็นการหลุดพ้นเฉพาะตัวจริงนะครับ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 ผู้ที่เข้าถึงธรรมะจะรู้ว่าคนอื่นเนี่ยก็มีธรรมะเรียบร้อยนะฮะคนอื่นก็คือขันห้าเหมือนกับเราแต่เจ้าตัวเขาไม่รู้เท่านั้นเองเพระนั้นผู้เข้าถึงธรรมะเนี่ยจะนอบน้อมและยอมรับผู้อื่นอย่างเช่นเดียวกับตัวเองครับพระพุทธเจ้ากับโจร น, นึงครับ <c oughs> กับโจรที่ฆ่าคนนะเหมือนกันโดยสัจธรรม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 เขาก็เป็นเหมือนเราเนี่ครับแต่ว่าเขาไม่รู้ตัวเท่านั้นเองเข้าใจไหมครับสมัยผมบวชใหม่ๆกลับไปเยี่ยมโยมนะครับที่สงขาไปถึงหัดใหญ่หัดใหญ่นี่ก็ดงโสเฟนีนะครับสมัยโน้นครับผมนั่งรอรถไฟจะออกมีโซเฟนีกลุ่มหนึ่งขึ้นมาเนผมกลัวม า, มากๆเลยแต่มันนั่งข้างหน้าด้วยครับเก้าอี้ชั้นสามที่มาหันหน้ามาหากันะครผมระวังตัวไม่เป็นสุขเลยคือด้วยความรู้สึกลังเกียด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 ดันไปยกตัวเองคิดว่าเป็นผู้วิเศษขึ้นมาแล้วคนอื่นเป็นผู้ต่ำซามนมานั่นไม่ใช่ผู้เห็นธรรมนะครับถ้าเห็นธรรมะจริงๆจะเห็นว่าทุกๆคนเนี่ยมันเป็นธรรมชาติอยู่จริงไหมครับจะเป็นพระเป็นเนรเป็นชีเป็นคลืหัดเป็นโจรป่าห้า้เป็น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 ดังนั้นเองเมือ่อพระเจ้าท่านจัดรู้ท่านร้องอุทานขึ้นมานะครับท่านกลับเห็นว่าโลกทั้งโลกชีวิตโลกและสากลและจักรวาล น, นี้เป็นอันเดียวกันอยู่ตลอดเวลาคือโลกนี้ทั้งหมดนี้เป็นรูปเป็นนามจริงไหมครับมีแต่รูปกับนามทนั้นคือมีวัตถุและก็จิตซึ่งสัมพันธ์กันอยู่ดังนั้นการจัดรู้ของพระเจ้าเป็นการหลุดพ้นจากปัญหาความมืดในตัวเอง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 ก็สอนว่าเราไ ม, ไม่ได้เป็นอย่างนั้นะเราต้องมุ่งไปข้างหน้าไปรวมกับพรมพระพรหมข้างหน้านู่นอีกไม่รู้เท่าไรเท่าเทะไรแต่พรอพระเจ้าแจ้งข่าวนี้กับผู้คนเท่านั้นนะครับเกิดการไหวตัวอย่างกว้างขวางทีเดียวถ้าเป็นนักโบราณคดีสักหน่อยก็จะเห็นด้วยกับผมประมาณศตวรรษที่หกหรือถึงเก้านะครับกระบวนการชาวพุทธเนี่ยไหวตัวกันอย่างกว้างขวางที่จะสร้างสังคมมนุษยชาติเสียใหม่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 ผู้คนชาวพุทธผู้ผู้ที่ไหวตัวขั้นนั้นรู้ชัดว่าชีวิตนไม่มีอะไรนอกจากไปตายครับจะเป็นรัฐมนตรีจะเป็นห้องเต้็ในที่สุดก็ตายทั้งสิ้นเลยะัะ น, นั้นเขาก็ตื่นตัวกันมากที่จะปฏิบัติธรรมให้ถึงที่สุดวันนี้ที่ผมให้จับมือกันเพื่อจะภาวนานนั้หรือ ก็เป็นเป็นเป็นเช่นเดียวที่เป็นสิ่งเดียวกับการที่เมื่อชาวพุทธทาบุญถวายพระทหารในพระสงฆ์แล้วก็กรวดน้ำเขาให้จับมือต่อต่อเพื่อละทิฏฐิมานะนะครับเพื่อละความถือเนื้อถือตัวชั้นผิวขาวกับแกชั้นวรณะสูงไม่ต้องกายกันในสังคมินเดียขึ้าเปอย่างนั้นนั้นชาวพุทธก็เริ่มปฏิวัติวัฒนธรรมและประเพณีต่าง โดยวิธีเวลากรวดน้ํำคงนึกออกนะเวลาหัวหน้าอุบาสกกวดน้ําเขาจับกันเป็นหางเป็นอุบายที่จะให้ลดความยึดถือในวันนะในศักดิ์ศรีคือศักดิ์ศรีนั้นมีครับแต่ว่าศักดิ์ศรีชนิดมันศักดิ์ศรีถือตัวนะ้มันศักดิ์ศรีจากอวิชชาครับศักดิ์ศรีของมนุษย์ก็คือความรู้สึกตัวเพราะเพราะไม่รู้สึกตัวเรากลายเป็นศักตว์หรือกลายเป็น สิ่งที่ต่ํากว่านั้นในตัวคนนี่ครับมันเป็นได้ทั้งเทวดาทั้งมนุษย์ทั้งสัตว์ทั้งพืชเผลอนิดเดียนะสลืมสลืมมกลายเป็นพืชเป็นผักกาดไปเลยเขเป็นผักกาดดองนั่นที่ น, นั่งๆแล้วไม่รู้ตัวแล้วก็ง่วงวนเป็นผักกาดดองทีงนี้พอขี้จุนเฉียก็มกลายเป็นสัตว์ครับ พอโมโหใครแ ย, เยกเขียวกลายเป็นหมาเป็นเสือเห็นฮะจิตใจมันจะเปลี่ยนไอ้ร่างกายน่าอาจจะคงเดิมแต่ว่าแนวน้มเอีงสัญชาติยานอะไรนี้มันมีอยู่เริ่มใจดีกับผู้อื่นมีเมตตากรุณาี่เป็นเทวดาชั้นพรมแต่ถ้ารู้สึกเป็นสุขจากกรารเ ม, มคุนิสัยที่ไม่มีโทษภัยอะไรอันนี้เป็นเทวดาชั้นกา ม, มาวจร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 ให้เป็นคนนั้นง่ายทั้งง่ายทั้งยากครับแต่การปฏิบัติธรรมะที่พระเจ้าสอนนั้นไม่ใช่เพื่อเป็นเทวดาไม่ใช่ไปติดติดในชั้นเทวดาตรงข้ามพระเจ้ากับปนามโทษของสวรรค์โทษของสวรรค์ที่ปไปติดอยู่ในแค่ชั้นสวรรค์เท่านั้นแต่ท่านสอนอริยสัจ มนุษเท่านั้นที่รู้จักอริยสัจได้ผู้ที่อยู่ในสวรรค์หรือผู้ที่สวยสุขมากๆเนี้ยจะไม่รู้จักทุกข์ครับไม่รู้จักว่าทุกข์อยู่ตรงไหนเหตุอยู่ไหนไม่รู้จักมันสบายมากๆดังนั้นผู้ที่ไปนั่งสงบนิ่งเข้าฌานถึงระดับฌานแปดนะคือฌานรูปฌานอรูปฌานเนี่ยยากที่จะรู้ธรรมะเพราะไปติดอยู่ใน พรหมมาโลกครับดังนั้นเมื่อพระเจ้าจัสรู้แล้วท่านนึกถึงครูของท่านสองคนนั้นแสดงให้เจ้าชายคนกรตันอยู่นเป็นคนมีความกระตัญอยู่มากนึกว่าครูสองคนนั้นเป็นบัณฑิตแล้วก็เคยสงเคราะห์ท่านด้วยทั้งๆให้สงเคราะห์ในสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับที่พระเจ้าจัสรู้ก็ตาม <c oughs> ท่านก็นยังเอื้อเฟือ้อเมื่อนึกถึงก็ได้รู้ข่าวตายเสียแล้ว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 เท่าเทียมกับครูนะครับอุตการาะถึงได้ชวนเป็นครูเลยอุตการาลพูดกับพระเจ้าว่าดูก่อนท่านโคตมะทาใดที่เราเข้าถึงท่านก็เข้าถึงถ้าเช่นนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นมาเรามาช่วยกันบริหารคณะคือเป็นครูสอนลูกศิษย์แต่พระเจ้าท่านบอกสาลาบอกเลิกแต่าทางนี้เป็นทางหลุดพ้นจริงทำไมพระเจ้าไม่ทําต่อครับ สงบแล้วก็ให้มันสงบยิ่งขึ้นสงบยิ่งขึ้นแล้วก็จะได้หลุดพ้นที่จริงความสงบนั้นดีแต่ว่าความสงบนั้นแค่สงบเท่านั้นยิ่งสงบจัดถึงระดับพรห ม, มโลกนะครับคือร ะ, ร, ะระดับที่เป็นพรหมนี่ยิ่งไม่มียิ่งยิ่งไม่รู้อะไรเลยครับแต่มันสบายเท่านั้นเองเพราะพเจ้าเปงนคนมีปฏิภาณมากครับท่าน ก่อนที่ท่านจะลาจากครูสองคนท่านลำพึงมากแม้นี้จะเป็นสิ่งสงบก็ตามแต่ยังอาพาธอยู่ก็อาพาธแปลว่ามันยังพิกลพิการครับคือพอไม่ได้ทำหรือไม่ได้เข้าฌานกลับไม่รู้อะไรแล้วกลับสับสนอย่แห ล, ละเพราะนั้นท่านจับได้ น, นี้ไม่ใช่ทางออกแน่ครับแต่ท่านก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทางออกคืออะไรกันแน่ท่านก็เลยไปทรมานตนครับ ทรมานจนถึงที่ไม่รู้อีกแล้วครับพระเจ้าเป็นคนมีนิสัยอย่างหนึง่งรองอะไรก็ต้งองรองกันให้ถึงแก่นข้าสามท่สังเกตดูให้ว่านิสัยท่านเป็นคนอย่างนั้นเมื่อไปรองเข้าฌานกับฤาษีเดียนั้นเอากันถึงแก่นนะเมื่อตอนทรมาตนต น, นครับเอากันถึงแก่นจนท่านเกิดความคิดขึ้นในใจว่าในอดีต ก, ก็ตามเดี๋ยวนี้ก็ตามเท่าที่ท่านรู้เห็นนะครับ ผู้ที่ทรมานตนสเสมอเหมือนท่านนี้ไม่มีเส่นทดลองกินอุจจาระอัตัวเองจนกระทั่งไม่มีอะไรถ่ายออกมาเลยคือคือเชื่อว่าอาจจะรู้ธรรมะก็ได้คนในเดียเขาพิลึกพิเรนอย่ง น, น, นะครับแม้ทุกวันนี้ก็เป็นนะในสุดท่านจับได้ไม่มีทางออกน่ทีนี้มีเรื่องที่ควรสังเกตนะครับหรือชวนพินิษพิเจรารณาว่า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 ปฏิภานเกิดขึ้นว่าครั้งหนึ่งเมื่อสมัยท่านเด็กๆ เ, เมื่อพระบิดากำลังทำพิธีแรกนานะครับท่านเป็นเด็กซึ่งเรียวสันโดดมักน้อยก็ได้นะรับไม่อยากวุ่นวายครยเขไปนั่งใต้ต้นว่าแล้วก็ด้วยสติที่ติดอยู่กับลมหายใจเข้าออกนั้นท่านบรร ล, ลุปฐมฌานแค่นั่งใต้ต้นว่านะครับก็ด้วยอำนาจของสตินั่นเอง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 ผู้ใดสมัครที่บวชตลอดชีวิตก็ดีครับแต่ผู้ใดไม่ชอบเครื่องแบบสง